ธรรมบทแปลเรื่องที่258ภาคที่8เรื่องภิกษุหลายรูปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงรารมภิกษุหลายรูปตรัสพระธรรมเทศนานิว่าเมตาวิหารีคือการอยู่ด้วยเมตตาเป็นต้น ความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเมื่อท่านพระมหากาชานะพักอยู่ที่ภูเขาใกล้เมืองกุระระกรังในอวันตีชนบทอุบาสกชื่อโสนะกุติกันนะเลื่อมใสในธรรมกถาของพระเถระยากบวชอยู่กับพระเถระแม้พระเถระห้ามถึงสองครั้งว่าโสนะ การประพฤติปรมจันต้องจันหนนเดียวนอนผู้เดียวตลอดชีพทำได้ยากนะเธอเนั้นก็เป็นผู้เกิดอุสาหะอย่างแรงกล้าในการบันประชาวิ่งว้อนพระเถระในครั้งที่สามจึงได้บันประชาและเพราะในทักษินาปทาชนบทนั้นมีพิสูจน้อยอีกสามปีจึงได้อุปสมบท ตนนั้นได้ปรารถนาจะเฝ้าพระศ า, าสดาเฉพาะพระพักจึงอำลาพระอุปชายยะนำข้อความที่พระอุปชายยะฝากให้แล้วเดินทางสู่พระเชตวันโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาได้รับการปฏิสันต์แล้วพระศาสดาทรงอนุญาตให้พักอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์ในเวลาค่นกืน ท่านพักอยู่ข้างนอกหลังค่คืนจึงเข้าไปในพระคันธ ก, กุฎีพักที่ที่นอนอันถึงแล้วแก่ตนในเวลาใกล้รุ่งเมื่อพระศาสดาทรงเชื้อเชิญได้สวดพระสูตรทั้งหมดที่บกพระสูตรเป็นอัตตะวักด้วยทํานองสารพัญญะครั้งนั้นในเวลาจบสารพัญญะ เมื่อจะส่งอนุโมทนาเป็นพิเศษพระผู้มีพระภาคซึงได้ประทานสาธุการแก่ท่านว่าดีละดีละภิกษุเทวดาผู้อยู่บนพื้นดินนาคและครุฑจนถึงปรมโลกฟังสาธุการที่พระาศาสดาประทานแล้วได้เปล่งเสียงสาธุกการเป็นอันเดียวกันทีเดียวในขณะนั้น เทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนของมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นมาดาของพระเทระในเมืองกุระระคะอยู่ไกลจากพระเชตวันประมาณ120ยโยต์ก็ได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังเช่นเดียวกันมหาอุบาสิกาจึงถามเทวดานั้นว่านั่นเป็นใครให้เสียงสาธุการเทวดา เป็นเราเองน้องหญิงมาวัสิกาก็ท่านเป็นใครเทวดาเราเป็นเทวดาสถิตอยู่ในบ้านของท่านก็ก่อนหน้านี้ไม่ให้สาธุการแก่เราทำไมเพิ่งมาให้ในวันนี้ก็เราไม่ได้ให้สาธุการแก่ท่านถ้าอย่างนั้นท่านให้สาธุการแกใครก็เราให้แกพระโสนะกุติกันนะเทระบุตรของท่าน บุตรของเราทําอะไรหรือเทวดาก็ในวันนี้บุตรของท่านพักอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดาแสดงธรรมแก่พระศาสดาพระศา ส, าสดาส่งสดับธรรมะจากบุตรของท่านส่งเลื่อมใสจึงได้ประทานสาธุการเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ให้สาธุการแก่พระเทวานั้นด้วยเพราะนับตั้งต้นแต่เทวดา ผู้อยู่บนพื้นดินจนถึงบรมโลกได้ยินเสียงสาธุการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เปล่งเสียงสาธุการเป็นเสียงเดียวกันหมดท่านเทวดาบุตรของเราแสดงธรรมแก่พระศาสดาหรือพระศาสดาแสดงธรรมแก่บุตรของเรากันแน่อุบาสิกาบุตรของท่านแสดงธรรมแก่พระศาสดา เมื่อเท ว, วดาบอกอยู่เช่นนั้นปีติห้าประการได้เกิดขึ้นแก่อุบาสิกาแผ่ไปทั่วร่างกายรังนั้นมหาอุบาสิกาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าหากว่าบุตรของเราพักอยู่ในพระคันตะกุฎีเดียวกับพระสัสดาสามารถแสดงธรรมแก่พระสัสดาแล้วไซก็จะแสดงธรรมให้เราฟังได้เหมือนกันเมื่อบุตรกลับมา เราจกจัดให้มีการฟังธรรมแล้วฟังธรรมเองบ้างตอนพระโสณนะทูลขอพรห้าประการกับพระศาสดาฝ่ายพระโสดเองเมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแล้วคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะกราบทูลข้อความที่พระอุปชายะฝากให้มาจึงทูลขอพรห้าประการ กับพระผู้มีพระภาคเจ้ามีการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์มีพระวินัยตอนเป็นที่หคือมีภิกษุวินัยตอนเป็นที่หคือมีภิกษุผู้นั่งปรกจานวนหรูปได้ในปัจจันตัดจดโนบทเป็นต้นและได้พักอยู่ในสํานักของพระศาสดาอีกสองถึงสวันก็ได้ทูลลาพระศาสดาด้วยคำว่าขาแต่พระงผู้เจริญ ข้าพระองค์จะกลับไปเยี่ยมพระอุปชาพระชจ้าขาแล้วพระโสนานั้นก็ได้ออกจากพระเชตวันเดินทางไปยังสำนักพระอุปชาโดยลำดับในวันรุ่งขึ้นพระเทระพาท่านไปบินตบาดไปถึงประตูบ้านของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาฝ่ายอุบาสิกานั้นเห็นบุตรก็ดีใจไหว้แล้วถวาย อาหารคืออังคาตโดยกรบแล้วถามว่าพ่อได้ยินว่าท่านอยู่ในพระกันทักกูดีเดียวกับพระศาสดาได้แสดงธรรมกถาแก่พระศาสดาข้อนี้จริงหรือไม่อุบาสิกาใครบอกเรื่องนี้แก่โยมหรือพ่อเทวดาผู้สถิตยอยู่ในบ้านนี้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง เมื่อฉันถามว่านั่นเป็นใครเทวดานั้นก็บอกทุกอย่างให้รู้เมื่อฟังเรื่องนั้นแล้วโยมจึงคิดอย่างนี้ว่าถ้าบุตรของเราแสดงธรรมกถาแก่พระศาสด า, า, า, าได้ก็จะแสดงธรรมแก่เราได้เช่นเดียวกันครั้งนั้นมหาอุบาสิกาจึงนิมนต์ท่านด้วยคำว่าพ่อเมื่อท่านแสดงธรรมเฉพาะพระพรักดของพระศาสด า, า, าได้ ก็ ข, ขอให้ท่านแสดงธรรมให้กับโยมบ้างในวั น, นโน้นโยมจักจัดให้มีการฟังธรรมและฟังท่านแสดงธรรมท่านพระโสนะรับนี่หมดแล้วอุบาสิกานั้นมีความคิดว่าเราจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ทำการบูชาแล้วจึงฟังการแสดงธรรมของบุตรของเราในนี้แล้วเหลือนางตาสีคนเดียวไว้เฝ้าเรือน ได้พาบริวารชนทั้งหมดไปฟังการแสดงธรรมซึ่งจะแสดงโดยบุตรของตนพระเทระก้าวขึ้นสู่ธรร ม, มาตที่ประดับประดาไว้แล้วในมนดบที่อุบาสิกาสร้างขึ้นเพื่อฟังธรรมะภายในพระนครตอนพวกโจรเข้าปล้นเรือนมหาอุบาสิกาก็ในเวลานั้นพวกโจรเก้าร้อยคน มองหาช่องทางจะเข้าขโมยในเรือนของอุบาสิกานั้นอยู่เรือนของอุบาสิกานั้นล้อมด้วยกำแพงเจ็ดชั้นมีซุ้มประตูเจ็ดซุ้มทุกๆซุ้มประตูล่ามสุนัขดุเอาไว้อันหนึ่งตรงที่น้ำตกจากชายคาบ้านหลังในเขาขุดคู่ใส่ดีบุกจนเต็ม เวลากลางวันพอแดดเผาดีบุกนั้นเหมือนละลายเดือดพล่านอยู่ในเวลากลางคืนก็กลายเป็นแท่งแข็งกระด้างเขาปักขวางเหล็กใหญ่ไว้ทีที่ที่พื้นในระหว่างขู่นั้นด้วยการป้องกันเช่นนี้เมื่ออุบาสิกาอยู่บ้านพวกโจรจึงหาช่องทางไม่ได้วันนั้นรู้ว่าอุบาสิกาไม่อยู่ จึงขุดอุโมงค์เข้าไปในบ้านลอดคูดีบุกและขวากเหล็กเข้าไปชนได้แล้วส่งหัวหน้าโจรไปเฝ้าดูอุบาสิกานั้นด้วยสั่งว่าหากอุบาสิกานั้นทราบว่าพวกเราเข้าบ้านได้บ่ายหน้ากลับมายังเรือนท่านจงเอาดาฟันอุบาสิกานั้นให้ตายหัวหน้าโจร น, นั้นได้คอยยืนซุ่มดูอยู่ ไฟพวกโจรที่เหลือจุดไฟภายในบ้านให้สว่างแล้วเปิดประตูห้องเก็บคาหาปะนะนางทาสีนั้นเห็นพวกโจรจึงไปหาอุบาสิกาเรียนว่าคุณนายโจรเปน็นนันมากเข้าไปในบ้านงัดประตูห้องเก็บคาหาปะนะได้อุบาสิกาบอกว่าพวกโจรจะขนเอาคาหาปะนะที่พบไปก็ตามใจฉันจะฟังบุตรฉันแสดงธรรม เจ้าอย่าทำให้ฉันพลาดจากการฟังทําเลยจงกลับบ้านไปดังนี้ฝ่ายพวกโจรขนกระหาปะนะไปจนหมดห้องแล้วงัดห้องเก็บโลหะเงินอีกนางทาสีนั้นก็รีบมาบอกข่าวให้ทราบอีกอุบาสิกาก็กล่าวว่าพวกโจรจะขนเอาทรัพย์ที่ตนอยากได้ไปก็ตามใจฉันจะฟังบุตรของฉันแสดงธรรมเจ้าอย่ามาขัดจังหวะฉันเลย ย่างนี้แล้วก็บอกให้นางทาสีนั้นกลับไปอีกหัวโจรขนเงินจากห้องเก็บเงินไปหมดแล้วก็งัดห้องเก็บทองอีกนางทาสีนั้นก็ไปแจ้งความนั้นกับอุบาสิกาอีกครั้งนั้นอุบาสิกาจึงเรียกนางทาสีนั้นมาแล้วพูดว่าแน่นางตัวดีเจ้ามาหาฉันหลายครั้งแล้วฉันสั่งว่า พวกโจรจงขนของไปตามพอใจเถิดฉันจะฟังบุตรของฉันแสดงธรรมเจ้าอย่ามากัดจังหวะฉันเลยเจ้าก็ยังหาเชื่อคำของฉันไม่ยังขืนมาครั้งแล้วครั้งเล่าทีนี้ถ้าเจ้ากลับมาอีกฉันจะลงโทษเจ้าเป็นแน่เจ้าจงกลับบ้านไปหนังนี้แล้วก็ให้หนางตาสีนั้นกลับไปตอนธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤต่ำ หัวหน้าโจ์ได้ฟังคำของอุบาสิกานั้นแล้วคิดว่าถ้าพวกเรานำสิ่งของของหญิงเห็นป่านนี้ไปฟ้าต้องผ่าหัวเราเป็นแน่ดังนี้แล้วจึงไปหาพวกโจรแล้วสั่งว่าพวกแก่จงขนเอาสิ่งของของอุบาสิกาไปไว้ตามเดิมโดยเร็วโจนเหล่านั้นก็ขนกหาปณะนะเงินและทองไปเก็บคืน ให้ทุกห้องตามเดิมได้ยินว่าข้อที่ธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมนี้เป็นกฎธรรมดาประเหตุ น, นั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เคยตรัสคำที่เป็นคาถาว่าธรรมะแลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงของธรรมะ ที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติรม ย, ย่อมไม่ไปสู่ทุกติดังนี้พวกโจรได้ไปรวมอยู่ในที่ฟังธรรมฝ่ายพระเถระแสดงธรรมเรื่อยไปจนสว่างจึงลงจากอาสนะในขณะนั้นหัวหน้าโจรมอบลงที่เท้าของอุบาสิกาแล้วพูดว่าคุณนายได้โปรโดยกโทษแก่ผมเถิด อุบาสิกานี่เรื่องอะไรกันพ่อหัวหน้าโจรผมผูกอาฆาตในคุณนายประสงค์จะฆ่าคุณนายจึงได้ยืนคุมเชิงอยู่อุบาสิกาถ้าเช่นนั้นฉันยกโทษให้ตอนพวกโจเรเลื่อมใสขอบวชกับพระโสณนะพวกโจรที่เหลือก็อได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันเมื่ออุบาสิกาพูดว่าพ่อทั้งหลาย ฉันยกโทษให้นะพวกโจรนั้นจึงพูดว่าคุณนายถ้าว่าคุณนายยกโทษให้แก่พวกผมใช้ขอคุณนายอนุญาตให้ผมบวชอยู่กับบุตรของคุณนายเถิดอุบาสิกานั้นไหว้บุตรแล้วพูดกับท่านพระโสดาว่าพระคุณเจ้าโจรพวกนี้เลื่อมใสในความดีของโยมและในการแสดงธรรมของพระคุณเจ้าจึงพากันขอบรนประชา ขอพระคุณเจ้าจงให้โจรพวกนี้บวชเถิดพระเทราจึงพูดว่าดีละจึงได้ให้ตัดผ้าที่โจร น, นุ่งให้ย้อมด้วยดินสีแดงให้พวกเขาบวชให้ตั้งอยู่ในศีลครั้นพวกเขาอุปสมบทแล้วพระเทราได้ให้กรรมฐานหนึ่งอย่างต่อภิกษุหนึ่งรรูปภิกษุเก0ร้รูป จึงเรียนกรรมฐานเก้าอย่างต่างกันไปแล้วพากันขึ้นไปสู่ปู่เก่าลูกหนึ่งนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้ร่มไม้ต่างๆพระศาสดานั่งประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารไกลออกไปถึง120่งรที่โยติเดียวทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นทรงพิจารณาเห็นพระธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับความประพฤต ของเธอเหล่านั้นทรงเปล่งพระรัศมีไปพระหนึ่งว่าประรับ์นั่งตรัสอยู่ตรงหน้าและได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเมตตาวิหารโยพิขุปะสันโนพุทธศาสเสนอธิคเชไะทางสันตังสังคารูประสมังสุขังสินจะพิขุอิมังนาวังสิตาเต ลหุเมสติเฉตบาราคันจะโทสัญจะตะโตนิพพาณเมหิสิปัญจะชินเทปัญจะชเเหปัญจะอุตริภาวเยปัญจะสังคาติโภพิกุโอตินโนติวุจติชายะพิกุมาจะปามะโทมาเตกามะคุเนพระมะสสุจิตัง มาโลหะกุลังคิริปะมะโตมากันที่ทุกขมิทันติไยหะมาโนนติชานังอปัญญาสะปัญญาณติอชายะโตยะมะหิชานัญจะปัญญาจะสะเวนิพานะสันติเกสนยาการังปรวิทัสสะสันตจิตตสะพิกุโน อมานุสีระตีโหติสัมมาธรรมังวิปัสะโตยะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุทยบ พ, พยังละปะตีปีติปามโมชังอมะ ต, ตังตังวิชานตังตัตรายะมาทิภะวะติอิทปัญญสะพิกุโนอินทริยะ พุติสันตุถีปาติโมเกจะสังวโรมิเตพระชัดสุกัลยาเนสุทธาชีเวอตันทิเตปฏิสันธาระบุตยะสะอาจาระกุสโลสิยาตะโตปาโมชะพะหุโลทุกขสันตังกริสติแปลว่าภิกษุใดยอยู่ด้วยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่สงบระงับสังขารเป็นสุขภิกษุเธอจงวิดเรือนี้เรือที่เธอวิตแล้วจะแล่นเร็วเธอตัดราคะและโทสะได้แล้วจากนั้นจะบรรลุพระนิพพานเธอพึงตัดธรรมห้าอย่าง พึงละธรรมะห้าอย่างและพึงเจริญคุณ ร, รมห้าให้ยิ่งขึ้นภิกษุผู้ล่วงกิเลสเรื่องข้องห้าอย่างได้เราเรียกว่าผู้ข้ามโอคาได้ภิกษุเธอจงเพ่งและอย่าประมาทจิตของเธออย่าเบียนไปหากามกุณเธออย่าเป็นผู้ประมาทกลืนกินก้อนเหล็กแดงในนรก เธออย่าถูกไฟเผาคร่ำครวญอยู่ว่าหนีทุกจริงฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่ในบุคคลใดบุคคล น, นั้นแหละชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานความยินดีอันไม่ใช่ของมนุษย์ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนบ้าง ผู้มีจิตสงบผู้เห็นแจ้งซึ่งทำโดยชอบขณะใดภิกษุพิพจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในขันทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้ปีติและประโมทซึ่งเป็นธรรมอันไม่ตายของผู้รู้แจ้งทั้งหลายในธรรมอันไม่ตายนั้นธรรมนี้คือความกุ้มครองอินทรีย์หนึ่ง ความสันโดษหนึ่งความสำรวมในพระปฏิโมกหนึ่งเป็นเบื้องต้นสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้แต่จงคบมิตรที่ดีงามที่มีอาชีพหมดจดที่ไม่เกียกรครันภิกษุพึงรู้จากการปฏิสันตารพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระเพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นเธอจะเป็นผู้มากด้วยปราโมท ทำที่สุดแห่งความทุกได้หนังนี้ตอนแก้อัดในบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเมตตาวิหารีแปลว่าอยู่ด้วยเมตตาหมายความว่าบุคคลผู้ทํากรรมตานอันประกอบด้วยเมตตาอยู่ก็ดีผู้ยังชานหมวดสามและหมวดสี่ให้เกิดแล้วดํารงอยู่ด้วยอํานาจเมตตก็ดีชื่อว่า อยู่ด้วยเมตตาโดยแท้คำว่าประสันโนแปล ว, ว่าเลื่อมใสหมากความากก็ภิกษุใดเป็นผู้เลื่อมใสคือปลูกศรัทธามั่นคงลงในพระพุทธศาสนาคำว่าประทังสันตังแปล ว, ว่าสันตบทนั้นเป็นคําชื่อแห่งพระนิพพานจึงอยู่ภิกษุเช่นนี้ย่อมบรรลุ คือย่ำประสบโดยแท้ซึ่งปริณิพานอันเป็นส่วนแห่งความสงบอันเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารเพราะสงบประงับแห่งสังขารตั้งปวงได้อันได้ชื่อว่าเป็นสุขเพราะเป็นสุขอย่างยิ่งข้อที่ว่าสินจะพิขุอิมังนาวังแปลว่าภิกษุเธอจงวิทย์เรือนี้ ข้อนี้หมายความว่าภิกษุเธอจงวิทเรือกล่าวคืออันตภาพนี้ซึ่งมีน้ําคือมิจฉาวิตกทิ้งเสียก่อที่ว่าสิ ต, ตาเตและหุเมสติแปล ว, ว่าเรือที่เธอวิทแล้วจะลั่นเร็วข้อนี้หมายความว่าเปรียบเหมือนเรือที่เพียบแล้วด้วยน้ําในมหาสมุทรนั่นแล ชื่อว่าอันเขาวิดแล้วเพราะเขาปิดรูรั่วแล้ววิดน้ำออกจึงเป็นเรือที่เบาไม่อับปางในมาหาสมุทรย่อมแล่นไปถึงท่าได้เร็วฉันใดแม้เรือคืออัตภาพของเธอที่เต็มแล้วด้วยน้ำคือมิจฉาวิตกนี้ก็ฉะนั้นชื่อว่าอันเธอวิดแล้วเพราะเธอปิดรูรั่ว ที่มีจากสู่ตวันเป็นต้นโดยความสมรวมวิตน้ำคือมิจฉาวิตกซึ่งเกิดขึ้นออกไปแล้วจึงเบาจึงไม่จมลงในสังสารวัฏจะเล่นถึงพระนิพพานโดยปลันคำว่าเชตวาแปลว่าตัดหมายความว่ า, วาเธอจงตัดเครื่องผูกคือราคะและโทสะครั้นตัดเครื่องผูกเหล่านั้นแล้วจะบรรลุพระอรหันต อธิบายว่าหลังจากนั้นจะบรรลุอนุปาทิเศ ส, สนิพานควาว่าปัญจจินเทแปลว่าพึ่งตัดรมห้าอย่างได้แก่พึ่งตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างอันยังสัตว์ให้ถึงอบายชั้นต่ำด้วยหมวดสามแห่งมรรคชั้นต่ำดุดคนตัดเชือกที่ผูกเท้าด้วยสัตตราฉะนั้น คำว่าปัญจะเจเหแปลว่าพึงละธรรมะห้าอย่างหมายความว่าพึงละคือทิ้งได้แก่ตัดสังโย์เบื้องบนห้าอย่างอันมีอยู่จนถึงเดี๋ยวโลกชั้นสูงด้วยพระาราตมักดุดคนตัดเชือกผูกคอฉะนั้นก็ดีว่าปัญจะจุตริภาวเยแปลว่า พึงเจริญคุณธรรมห้าให้ยิ่งขึ้นไปหมายความว่าพึงยังอินสียห้ามีสตาเป็นต้นให้เจริญยิ่งเพื่อให้ละสังโยชน์เบื้องบนได้คำว่าปัญจสังขาคิโตแปล ว, ว่าผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้องห้อย่างได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พิสุชื่อว่าผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้อง ห้าอย่างได้เพราะ9ก้าล่วงกิเลสเรื่องข้องคือราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิห้าอย่างพระศาสดาตรัสเรียกว่าผู้ข้ามโอคาได้อธิบายความว่าพิสุทนั้นพระศาสดาเรียกว่าผู้ข้ามโอกาสีได้แท้จริงคำว่าชายะพิโุแปลว่า ภิกษุเธอจงเพ่งหมายความว่าเธอจงเพ่งด้วยอำนาจแห่งฌานสองและอย่าประมาทโดยไม่ประมาทในกายกรรมเป็นต้นอยู่ส่วนคำว่าพระมัสสุแปลว่าอย่าเวียนไปหาได้แก่จิตของเธอจงอย่าเวียนไปในการมกุลห้าอย่างคำว่ามาโลหะกุหลัง แปล ว, ว่ายาก้อนเหล็กแดงหมายความว่าก็คนผู้ประมาดด้วยความเลินเล่ออันมีการปล่อยสติเป็นลักษณะย่อมกลืนกินก้อนโลหะที่ร้อนแรงในนรกประยต็นั้นเราจึงขอเตือนเถอเธออย่าเป็นผู้ไม่ประมาดกลืนกินก้อนโลหะยาถูกไฟแผดเผาในนรกแล้วกรำกรวนว่าทุกจริงหนอทุกจริงหนอ คำว่านติชานังแปลว่าชาญย่อมไม่มีหมายความว่าชื่อว่าชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาด้วยปัญญาในความสามารถที่จะให้ชาญเกิดขึ้นคำว่านติปัญญาแปลว่าปัญญาย่อมไม่มีหมายความว่าก็ปัญญาซึ่งมีลักษณะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นจริงดังนี้ย่อมไม่มีแกบุคคลผู้ไม่เพ่งคำว่าย่มหิชาณจจะปัญญาจแะแปลว่าชาญและปัญญาม่อยู่ในบุคคลใดข้อนี้หมายความว่าชาญและปัญญาทั้งสองผู้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่า ผู้อยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ทีเดียวข้อที่ว่าสุญญาคารังปวิทัสสะแปลว่าผู้เข้าไปสู่เรือนว่างได้แก่ผู้ละกรรมฐานนั่งโดยกระทำกรรมฐานไว้ในใจในที่สงัดแห่งใดแห่งหนึ่งคําว่าสันตจิตตะสะแปลว่าผู้มีใจสงบได้แก่มีจิตดับสนิท คำ ว, ว่าโดยชอบสัมมาเป็นต้นหมายความว่าความยินดีอันไม่ใช่ของมนุษย์กล่าวคือวิปัสสนาก็ดีความยินดีอันเป็นทิพย์กล่าวคือสมาบัติแปด ก, ก็ดีย่อมมีคือย่อมเกิดแกบุคคลผู้เห็นแจ้งซึ่งทำโดยเหตุโดยการก่อนที่ว่ายะโตยะโตสัมมสติแปลว่า ขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นเป็นต้นหมายความว่าเมื่อภิกษุทํากรรมคือกรรมฐานในอารมณ์38ประการตามอาการใดๆคือเมื่อทํำกรรมในเวลาที่ตนชอบใจใดๆเช่นในเวลาก่อนอาหารเป็นต้นหรือในกรรมฐานที่ตนพอใจชื่อว่าพิจารณาเห็นส่วนคําว่า อุทยับปยังแปลว่าความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้แก่ซึ่งความเกิดขึ้นแห่งขันหโดยลักษณะ24และความเสื่อมแห่งขันหโดยลักษณะ25เหมือนกันคำว่าปีติปามโมชังแปลว่าปีติและปราโมดได้แก่เมื่อพิจารณาความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายอยู่อย่างนี้ชื่อว่าย่อมได้ความปีติในธรรมและความปราโมทในธรรมคำว่าอ ม, มะตะแปลว่าธรรมะอันไม่ตายหมายความว่าเมื่อนามรูปพร้อมตั้งปัจจัยปรากฏตั้งขึ้นอยู่ปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเป็นนา ม, มะตะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งโดยแต่ เพราะทำสัตว์ถึงอมตะมหานิพพานข้อที่ว่าตรัตตรายะมาธิภวติแปลว่าเป็นเบื้องต้นคือเป็นพื้นฐานในอมตะธรรมนั้นคำที่ว่าอิทะปัญญาสะแปลว่าสำหรับภิษกผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้ได้แก่ภิษกผู้ฉลาดในพระศาสนานี้ นในบัด น, นี้พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงพื้นฐานเบื้องต้นที่พระองค์ตรัสว่าเบื้องต้นนั้นจึงได้ตรัสคำว่าอินทริยะคุติแปลว่าการควบคุมของอินทรีย์เป็นต้นบริสุทธิ์ี่ศีลสี่ชื่อว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทีเดียวความสำรวมโดยปัจจัยสี่ชื่อว่าสันตุติคือความสันโดษ อาชีวปบาริสุธิศีลและปัจจัยสันนิติตศีลพระศาสดากล่าวรวบไว้ด้วยคำว่าความสันโดษนั้นความเป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศีลหลักกล่าวคือสีนปฏิโมกพระศาสดาตรัสไว้ด้วยคำว่าปฏิโมกเเกแปลว่าในพระปฏิโมกข้อที่ว่ามิเตพระชัสสุ ก, กัลยาน แปล ว, ว่าเธอจงอบรมมิตรที่ดีงามความว่าเธอจงละสหายผู้ไม่กวรผู้ไม่ทําการงานแล้วครบเลือกเสพมิตรที่ดีงามผู้มีชื่อว่าอาชีวะอันบริสุทธิ์เพราะมีชีวิตเป็นแก่นสารและชื่อว่าผู้ไม่เกกราร้านพระหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข่งของตนเองข้อที่ว่าปฏิสันธาระวุจยศ แปลว่าภิกษุพึงรู้การปฏิสันฐานหมายความว่าพึงเป็นผู้รู้จักการปฏิสันถานโดยมีพฤติกรรมพรียมพร้อมด้วยอามิตรปฏิสันถานและธรรมะปฏิสันถานหมายความว่าพึงเป็นผู้ทาปฏิสันถานส่วนคำว่าอาจาระกุลโสหมายความว่าศีลก็จัดให้เป็นมารยาทและวัดปฏิบัติ ก็จัดเป็นมารยาทพึงเป็นผู้ฉลาดคือพึงเป็นผู้เฉียบแหลมในมารยาทนั้นแล้วก็ที่ว่าตาโตปามโมจะพหุโลหมายความว่าเธอชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยปราโมทเพราะความเป็นผู้บันเทิงในธรรมอันเกิดขึ้นจากการรู้ปฏิสันถาน์และความเป็นผู้ฉลาดในมารยาทนั้นจะทําที่สุด แห่งวัดตัดทั้งสิ้นได้ในจำนวนพระคาถาที่พระศ า, ศาสดาทรงแสดงนี้เมื่อจบพระคาถาแต่ละคาถามีจำนวนภิกษุได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาครั้งละหนึ่งรอรูปนะที่ตนนั่งนั่นแหละภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดห อ, อกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเมื่อพ้นทางกันดาลร2อยโย์โดยระยะทางอากาศ ได้สันเสริญพระสรีระซึ่งมีสีดุดทองของพระตถาคตเจ้าถวายบังคมแล้วแหลเรื่องพิสษุหลายรูป